ต่อยยี่สิปีไม่ใช่ได้กูเ <laughs> ข็ ด, ไ, ไ, ด ไ, <laughs> ได้กับวันแล้วนะ <chil> <B ạn. S 1> บ้านไม่กันยังสอนทำอยู่นี่ก็ตั้งยี่สปีแล้วยังเขียดยังสุดเลยกันอยู่ยัางกินเราเม้าใหญ่อยู่บ้านทามาค่อยหวานขึ้นย่างกไม่ผลงาน เอาย็กสิร้อยยี่บปี <c oughs> ได้แล้วเก็บสิบปีหะสิบปีแลยครึ่งหนึ่งเนาะเออ <c oughs> เหน้าากับบคือบานเพิ่นเลยบานตาพาดงอยู่เนาะถนนหลายอย่าง ก, กับบ่านไมเพิิน ต่าบานเท่ากับทีทำเร็วทำตีมนต่พ่อหนี้เอาปลูกปลายกผ้าใส่เบริรดรับจ้างโยรับจ้างกินไปพาไปขอนายกและทนตีขอทีทากินอะไรพันธิให้อยู่ได้หระอังมีทีพาจังหวัดสุดส้มโยหลายหลานไรตีแบงให้ประชาชนเพราะตรงนี้ทีทำโยทากิน หลวงพ่อประยากเลยหลวงพ่อเปบาทเนาะเป็นทบาทโยมไปเป็นทบาทเขาบ่ได้นี่แหะเห็นโอ้เหนใจกันนั่นสิแหะเห็นยากเี็นโยมหลดสงสารสงสารหลวงพ่อ แล้วก็เจ้ามกมุ่นกับเกลยกกับงานขยันขันแข็งแต่พุ้กับรุดพุ่นรุดพี่บ่ทวงบ่ท่านเนาะเจ้ากาการใส่กัไม่น่ใส่น่ใจหลายเสมอเนี่ยภาามาไฟมาของโยของกินว่าคือสมัโบราณ ตอนไหนบมดล่เน่าบอกบ่เคยใส่เงินจเจี๋ยจนว่าเป็นบาบาบ่มีเงินติดถุงพอย0บาทสิบบาทจาทียเป็นบาบาอือบ่เคยมีเงินนี่ปัจจัยอาจจะกินข้าวก็ตักขา้าวจะได้เราไปตำ อยากกินปลาก็ไปเอาปลาเจ้าในน้าอ่าปลาเจ้าใน้าก็เอาโกนเอาโกนไปจุมไปในสาเวียดนามพอมแปมพมแมก็มุดลงไปก็พางไปอัดโกนโชมขึ้นมากอันที่แจงก็เอาแจงอันที่พ่นก็พ่นเรือนั่นเทพไปขึ้นก็เสมอในในน้ําก็เพไม่ปลาในน้าก็เ่าไม่เข่า ลอยกันประหยัดเนี่ยนะไม่ทางเดียวเขาจะต้องประหยัดอย่าสุลุยสุไลมันสิหนักไปหนาอยู่ของก็แพงไปเลยๆของห่อผิดขึ้นกับว่าใครมีแล้วของก็ไม่แต่ของสื่อของจใจเข่าห่อก็ะผิดว่าใดนามห่อก็ะผิดว่าใดไม่ใช่น่านสื่อหลอกตัวห่อ ลวงเต่ารอ้านกัซอยพอซเมอร์ยขอเงินไปโรงเรียนหลายบาทอ่ะสองบาทสามบาทสื่อตะมบุงตะบุงหางบาทได้บสมรเออตะมบุงหลงพอไปชลบุรี กับจันต้งสินกับจันนดสื่อแนวมาฉันเพี้ยนเนยนะสื่อยังสื่อแก้วําแก้วอย่างเดียวเพระกันจำแก้วก็ดีได้เลยจำแก้วทั้งรถพอแก้วใส่ถุงเรากับปั่นขอนิ้วจำจะได้ถุงเิี๊ยมแอบแกงกันนะมหาจะไปสร้งอันไดดีดีเลย ของโยของกินกับละมัตละว่างจะมาเนี่ยงดการกินเนื้อ <c oughs> ลงแหนักหมากๆพลิกกระปุกเอาพักกระปุกเอาขนาดบวกุ่งเนี่ยก็ไปขายเนี่ยขายตําหุ่งเนี่ ย, ย, ย, ย, ำยกลำลังลุยกันแต้สมัยเพราะมันไปขายลาบขายก่อย ไปต่โมงหงสลบ้านทามว่าไปวันเนี่ยได้ไม่ซื้อรถซื้อลาสั่งบ้านสัางเรือนมาวันแบ่หาสัตว์ตัดชีวิต เห่าบันไม่บันส น, นปลาเอาก็ะโยกลำกันมาหลายปีเข้าใจกันเป็นพเพเ่็นน้องกันเป็นญาติเพือคุณเคยความกล้คิด เป็นญาดยางยิ่งปืนเพิ่นดีแต่แมนของปืนแตะวานเน่ากันดีกับเพิ่งผ้าใจกันเลยหวานเพิ่นเพิ่นดีเป็นก็ะยูกไก่เน่าหวานเน่าบ้านไม้หวานสวนปลาเพิ่งผ้าใส่กันคอยไปคอยมาคอยเฮ็ดคอยสางคอยใส่คอยใจ ให้สิบเบียอ ย, อย่าปากนามอย่าเสารกันหนึ่งหาสองสลึงในมือให้เจ้าเก็บเอาไว้ <c oughs> ตื่นมาเส่าไม่เก่ารังยามยามสวนบุกพริกยามพ่นบุเกเขือยามสวนพักยามต้นบุกงู ไม่น่าจยาะยำล่ะแม่เลี น, นั่งบกฮง้สองบกพริกสามผักบลาเขือไหมบ่าเนอะเป็นมนะนมเสาไม่เข่าลัางยำยมสวนพริกยำสวนบกเขือยมสวนผักยมสวนบกฮู้เออพอได้กินแล้วมัน หลวงพ่อเคยบอกให้ฟังคนบันนองหวกอายุลอยสิบปีนังแข็งแรงเดียวมาเดินจงกบปฏิบัติทำนโมได้หลวงพ่อไปถามเราพญายิ่เจ้าจันไดเพื่อนี่อายุยืนไท้เจ้าจึงเขากับยังเราว่าเราจึงเขากับสุบุกเขือประจำเลยขันเดินเบาหงวัตรไม่สุบุกเขือ คนมกเขืออย่างเดียวอายุร้อยสิบปีเอาน้ำเล่าลองบางเป็นนะฮะผูกมะเขือผู <c oughs> กมกเขือ <c oughs> อ่ากินได้ทุบมกเขือเนี่ยที่บ่ไม่อย้ยืดเยื้อจะลออยู่บ่อืม บัวล้านให้ท่านสะอะไรป่ามากใช่ไหมก็ปีงย่างไบเหล่วมาปนใส่กระปุกไว้ใสแจงใส่พักใส่เี่์ไปขวัตัดเป็นตอนโลคลกทะเลยคือเสมอพรเห็นตอนป่าแจงป่าขันแจงไก่ใช้นมไม่สมเพราะมุนมุนเห็นแต่นอนตอนนมไม่สมบัวล้านปัญญาวาบกระโดดบ้า น, นย้อนหมู อย่ บ, บกอร์โตนหมอนั่งเนี่ยไม่หมูกินเดียวทอสองเหนียวเท่านั้นแหะชอบกินหน้าเบอรกระตตนเสมอเนีเ่ยโอ้ยเป็นสิน่นเป็นตอนโคโลเกลเล็ตมันเปลี่ยนวัฒ <c oughs> น, ธ, นธรรมการอยู่กันกินคนสเสมอกับคนโบราณเนาะแล้วพอขึ้นหอดโบราณเดี๋ยอยากกลับไปสู่ขมเป็นโบราณจากน้อย ความเป็นอยู่การอุปโภคบริโภคเมตไสใจข้อเห็นกันเถอะมาถามกันอหาแน้าถามจนได้วัฏยางกายกันเสมอเนี่ยถามกันบ่บัญญางกายกันเนี่ยไม่ว่าเปล่าไฟไฟไปมันแค่ก้อนเนีถามกันน้ำดาหน้าก็ถามเรื่องดําหน้าน้ำเกี้ยวเข่าก็ถามเรื่องเกี้ยวเข่า งามไปปูกพักกระถากันเรื่องปลูกพักพักเจ้าง่ามบอ่อหมุดแตงง่ามบอ่อหม้อพักง่ามบ่ถามกันเห็นหน้าถามเขา่าถามง่ามบอ่อไกลสิแล้วมวนผันโฟเบาโฟสาวไปเลี้ยงขั้วไปเลี้ยงทั้งหลายตัวโขได้ไดห้ามวันนี่ บอกกันลัดกันไลคขั้วไอ้คนโข <c oughs> <c oughs> กพ่อยาจวนได้หลายแต่ว่าส่วนกันเอาเงาเอาคั้วไปเลี้ยงนี่แนวเป็นส่วนรวมกันหลายอย่างคนโบราณครับเก็บเฮ็ดกันพ่อเฮ็ดเั้นสิ่งเอินกันมาให้เป่าเก็บ อต่นกันมาซะก่ อ, อนเอาคนนัเขาท่องนั่งคนนั่งเขาท่องนี้เห็บเห็ดเห็เห็ดแล้วเบิงกตากันไปเจ็บขอบานเจ้าได้ว่อมึงได้ว่อเบิงกตากันกับพวกได้หน่อยก็แบงให้กันสะทอกันกบวารานหอบ่อทองเป็นห่วงถ้าไปํากันไม่หวงังบอบอโลได้แต่ได้กับแบงกัน ฮะผัวฮะปามาหางกายบาดก้อนนี่เขาบ้านต้องตัดหางตองฮะปิดไว้ตองรดทางใสกตาใส่ขุใส่แครงมามาหอดบ้านเพ้่อได้แตวางขุลงกันไปสอนเสร็จะเอาจับกลุ่มจับเชี่ยวใส่หางตองเงินให้พ่อรันมากกว่านี้ลือมากพอได้กินเพิ่นคือโตโตคือเพิ่นนายบุร่าน อย่างกายบาดเมื่จะไปหานได้ป่ะมันก็ไม่ส่วนหรอกคนโบราณทํานไม่น่าใจ <c oughs> อ๋อพอก็บอคนนมคิดไปข้างหน้าคนฉลาคิดขึ้นข้างหลังแต่หลวงพ่ออยู่ในสภาพฉลาแล้วคิดแต่ข้างหลังนะนะคิดไปข้างหน้าว่าเป็นเรา ตอไปค่ลับพ่อเนดะ้อดูเย็นเป็นสุขตุภูทุกคนอยู่วันนาสุขาภะปฏิบัติธรรมไม่โอกาสเข้าถึงศีลถึงธรรมเบื้องสูงของพระสมาสมุทรเจา้าในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเถิดขอว่าโดยสาพมังค์รงขอสาภาพมงคลจงมีเจ้ท่านระกันโดยสาพระเทววตา เราเทวดาทัง้งผงจงราบสา์ทานสาธาภรานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาธ า, า, รสาธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาาสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่ ง, รงพระสงฆ์สาธาสันติภวันตเตขอกผัสสวัสดีทั้งหลาย ยงม่เจริญรกรู้เลยปฏิสังขโยในโลวินตาปัตตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนัมตายะนัมมันทะนายะนาเวชนะยะยวัจะวัยมะชาตายะชาิติยะยะปณายะวิสุปะรติยะนุกามายะ อิติภรานันเจวิธานังปติหังขามินวันจะเวทนังนาวพเดจามิญาตราจะไมภาวิชติอนาวาจตาจวาสุยารุจตินะนี่มันฉันมาปฏิบัติธรรมตักอาหารเนอฉันได้ตามอัธยาศัยเอาให้พ่อฉันให้อิ่มนม่บ่ล่ะไม่แน่อิ่มบ่หรอเนี่ย เราจ่อยๆเราจ่อยๆองขอเปลี่ยนปนวนนะมเียนห้าแปล่าๆห้างขอเปลๆ